ในสัมมเนนตัญหาในคัมภีคุตตะปาถะว่า<ม>อะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งเกันนนะก็บอกว่า<ม>สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหาร น, นะนะสเปสาตาฮารกิติกาชื่อว่าหนึ่ง<ม>อะไรเอ่ยชื่อว่าสองเนี่ยนะนามและรูปอะไรเอ่ย<ม>ชื่อว่าสามคือเวทนาสามอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่คืออริย ส, สัตสี<ม>อะไรเอ่ยชื่อว่าห้าคืออุปาทานขันห้า อะไรเอ่ยชื่อว่า6ได้แก่อายตนะภายใน6อะไรเอ่ยชื่อว่าเจดก็คือโพ่อชงเจ็อะไรเอ่ยชื่อว่า8ก็คืออริยมรตมีองค์8อะไรเอ่ยชื่อว่า9ก้ได้แก่สัตตวาฏ9อะไรเอ่ยชื่อว่าสิคือท่านผู้ประกอบด้วยองค์10บที่เรียกว่าผ้าอรหรอนันเห็นไหมอันนี้แค่ว่าเพื่อให้เกิดปัญญานั่นเอง ก็เพราะเหตุที่จิตตภาวนาโดยระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยสาระคมเนี่ยนะใครที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาเนี่ยก็ต้องท่านต้นก็มันระลึกถึงคุณของพระตนะตรายก่อนประกาศศีลภาวนาด้วยสิกขาบทประกาศกายภาวนาด้วยอาการสาสิสองอนะจิตตภาวนาเนี่ยนะจิตตภาวนาอาศัยอะไรอาศัยการระลึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ศีลภาวนาเนี่ยนะอบรมศีลก็ด้วยสิกขาบทส่วนกายภาวนาก็ด้วยอาการสาสองทีนี้บัทนี้เมื่อจะพยากรภาวนาปัญญาบ้างหรือปัญญาภาวนาเนี่ยนะจึงวางการพยากรปัญหาเหล่านั้นในบทตั้งในที่นี้เพื่อแสดงมุก ค, คือปัญญาภาวนาโดยประการต่างๆหรือเพราะเหตุที่สมาธิมีศีลเป็นปัฏฐานปัญญามีสมาธิเป็น ปัธาฐานอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชะตาสูตรวสีเลปฏิถายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวายังเนี่ยนะอาตาปีนี่ประโกภิคุโสอิมังวิชตาเยชตังเนี่ยนะว่านารชนผู้มีปัญญาคือหมายถึงคนที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลเจริญจิตและปัญญาเนี่ยนะมีความเพียรเป็นต้นเนี่ยนะมีปัญญาเครื่องรักษาตนที่สูนั่นแหละจะพึงถามชัดนี้ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่า สมาธิมีศีลเป็นประฐานปัญญามีสมาธิเป็นประฐานเป็นเหตุไกลนั่นเองเพร ะ, ะนั้นควรทาว่าข้าพเจ้าครั้นแสดงศีลด้วยสิกขาบททั้งหลายสมาธิที่มีศีลนั่นเป็นโคจรด้วยอาการ32แล้วจึงวางปัญหาพยากรณ์เนี่นะเป็นบทตั้งไว้ในที่นี้เพื่อแสดงประเภทแห่งปัญญา อันเป็นเครื่องตรวจตราธรรมะต่างๆสำหรับผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะคือมีจิตตั้งมั่นอยู่ในอาการ32แล้วก็มาตรวจตราในปัญหาเนี่ยนะในสัมมนเนนปัญหาตั้งแต่อะไรเอ่ยชื่อว่า12345678910่ในเรื่องของปัญหาเนี่ยนะเป็นปัญหาที่พระองค์ตรัสถามท่านพระโสปากะ พระโสปากะนั้นเป็นพระมหาสาวกของพระผู้มีพระภาคนะแสดงว่าท่านก็หนึ่งในจํานวนอสีติมหาสาวกเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระองค์นั่นเองท่านพระโสปากะนั้นสําเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบนี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธประสงค์จะอนุญาตการอุปสมบทด้วยการพยากรณ์คือการตอบปัญหาแก่ท่านนี่นะ ทรงเห็นว่าท่านนั้นเป็นผู้สา ม, มารถพยากรพยากรนี่แปลว่าตอบนะตอบปัญหาทั้งหลายที่มีความอันพระองค์ประสงค์แล้วจึงตรัสถามปัญหาโดยนายเป็นต้นว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งทีนี้ท่านก็พยากรแล้วก็ทาจิตของพระผู้มีพระภาคให้ทรงยินดีด้วยการพยากรเพราะฉะนั้นอันนั้นนั่นแลเป็นอุปสมบทของท่านพระโสปาตะท่านได้เป็นพระพิสูตตั้งแต่อายุ7็ขวบเลยไนะ เพราะฉะนั้นเป็นวิธีการอุปสมบทด้วยการตอบปัญหานี้จะอธิบายที่ว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งเนี่ยนะสัตว์ทั้งปวงดำรงด้วยด้วยดำรงได้ด้วยอาหารหรือตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารที่ว่าสัพเพสัตตาอาหารสถิติกาเนี่ยนะบัด น, นี้จะพันนาความของปัญหาเหล่านั้นว่าภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบในธรรมะอย่างหนึ่งอันใด ย่อมทําที่สุดทุกได้โดยลําดับอันหนึ่งท่านพระโสปากะนี้เมื่อนายในธรรมะอย่างหนึ่งอันใดได้ทําที่สุดทุกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงธรรมะนั้นจึงตรัสถามปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งหมายความว่ารู้ว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งเนี่ยรู้แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้ะนะพระเถระก็ทูลตอบด้วยเทศนาเป็นปุกคลาที่ฐานว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหาร นนะเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งเนี่ยนะคำถามเนี่ยเป็นธรรมมาทิฐานอะไรชื่อว่าหนึ่งแ ต, ตอบตอบด้วยปุคลาทิฐานวิธีการตั้งด้วยว่าอะไรเป็นธรรมมาทิฐานพออธิบายอธิบายเป็นปุคลาทิฐานก็เหมือนอย่างที่ในสูตรนะที่พระองค์ถามมาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัมมาสติเป็นไงบอกพิสูจนในธรรมวิไนนี้พิจารณาเห็นกายในกา ย, กายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลก ที่ถามว่าสัมมาสติคืออะไรพอขยายขยายเป็นว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ใช่ไหมอันนั้นเรียกว่าปุกคลาทิฏฐานเหมือนกันคำถามนี้คําถามอธิพูดเป็นธรรมาทิฏฐานพอตอบเป็นปุกคลาทิฏฐานเหมือนกันจะได้ประจักษ์ถึงสภาวะ ว, ว่าใครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเจริญแบบนั้นได้ในข้อนั้นสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะท่านกล่าวว่าตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารโดยอาหารใดอาหารนั้นหรือความที่สัตว์เหล่านั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหาร เพิ่งทราบว่าพระเถระถูกตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งโทนชี้แจงแล้ว <c oughs> ในข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์ว่าชื่อว่าหนึ่งในที่นี้มิใช่ตรัสเพื่อให้รู้ว่าชื่อว่าหนึ่งอย่างอื่นในพระศาสนาหรือในโลกไม่มีเนนะความจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเนี่ยนะตรัสไว้ในที่ไหน ตรัสไว้ในปฐมปัญหาสูตรอังคุตรนิกายทสศกานิบาทเนี่ยนะว่าดูกอนพิสูจนทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งพิสษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ตามความตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบ เป็นผู้ทำที่สุดแห่งวัตถุทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันในธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นไงนะคือธรรมะอย่างหนึ่งว่าสเพสตาหาติติกะสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารดูการพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งนี่แลภพิสษุเมื่อเบื่ อ, อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบ รัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทําที่สุดได้นะที่สุดทุกขได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคํานั้นใดเรากล่าวว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวยากนหนึ่งดังนี้คํานี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วนะธรรมะอย่างหนึ่งนี่นะถ้ารู้จริงก็เบื่อหน่ายคําว่าเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายด้วยอะไรเบื่อหน่ายด้วยนิพพานุปัสนาเนี่ยนะ เมื่อคลายกำหนัดคลายกำหนัดด้วยอะไรก็คลายกำหนัดด้วยวิราคานุปัสนาเมื่อหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยปฏิสังขานุปัสนาเนี่ยนะเมื่อเห็นนะ่ะก็คือกําหนดด้วยเห็นความเกิดและความเสื่อมแล้วก็เห็นเบื้องต้นแล้วก็เบื้องปลายว่า ง, งั้นนะ่ะเกิดเมื่อไรจบที่ไหนอะไรยังไงนี่รู้หมดว่า ง, งั้นนะ เมื่อเห็นที่สุดโดยชอบก็ตรัสรู้ธรรมะด้วยด้วยยานอันชอบนะนะคนที่รู้จริงอย่างนี้ก็สา ม, มารถทําที่สุดแห่งวัตฏทุกข์ได้ถามว่ารู้จริงที่ว่าเนี่ยคืออะไรคือสเพสต า, าหารติทิกาธรรมะอย่างหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารเนี่ยนะอาคำว่าอาหารรติทิกาเนี่ยนะพระเถระถือเอาปัจจัยด้วยคําว่าอาหารศับอาคําบอกว่าสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ด้วยอาหารคําว่าอาหารตัวนั้นเป็นชื่อของ ใจเรียกสัตว์ทั้งปวงในที่ตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยว่าตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารนสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยนะก็เลยเรียกว่าใช้ว่าตั้งอยู่ด้วยอาหารคือคำว่าอาหารในที่นี้เนี่ยประสงค์เอาปัจจัยาหารนะไม่ได้เอาคำว่าอาหารคืออาหารสี่นี่นะไม่ใช่แต่หมายเอาปัจจัยาหารคำว่าปัจจัยาหารก็คือพวกอุปนิสัยปัจจัยนั่นเอง เหมือนในบาลีเป็นต้นอย่างนี้นะในบาลีที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสุภานิมิตมีอยู่การทําให้มากด้วยการมรสิการโดยไม่เยบคายในสุภานิมิตนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดฉะนั้นเห็นไหมอันคําว่าลักษณะนี้นะการใส่ใจในสุภานิมิตมากๆด้วยอะโยนิโสมนสิการเห็นไหมทีนี้ถ้าโยนิโออโยนิโสแบบนั้นเกิดบ่อยๆมากๆในสุภานิมิตอะไรเกิด นนะการมฉันทาที่ยังไม่เกิดก็เกิดการมาฉันทาที่เกิดขึ้นแล้วก็กําเริบเสบสารมากขึ้นมากขึ้นไปอันนี้ในสูตรนี้เนี่ยนะที่ยกมาก็ปัจยาหารเนี่ยนะแต่เมื่อท่านหมายเอาอาหารสี่กล่าวว่าตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารดังนี้นะคำว่าทั้งปวงเนี่ยนะก็ว่าสัพเพสตานเนี่ยนะคำว่าทั้งปวงนะเขาก็มาทวงว่าเอ๊คาว่าทั้งปวงไม่น่าจะถูก เพราะพระบาลีว่าเทพที่เป็นอสัญญีสัตว์เนี่ยไม่มีเหตุเนี่ยนะก็ไม่มีเหตุตปัจจัยอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีอาหารไม่มีภาษาไม่มีเวทนาเลยนะอสัญญสัตว์เนี่ยเพราะไม่มีจิตอะไรเลยไม่ได้กินอะไรด้วยก็อยู่อย่างนั้นแหละในข้อนั้นมีคําชี้แจงดังนี้แม้เมื่อถูกกล่าวอย่างนี้ความที่ขันทั้งหลายเท่านั้นตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยเนี่ยถูกแพ้เพราะพระบาลีว่าธรรมะไหนมีปัจจัยเนี่ยนะคือ ถ้าจะพูดควรจะบอกว่าไม่น่าบอกว่าสัตว์นะน่าจะบอกว่าขันทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยปัจจัยใช่ไหมเช่น ร, รูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยแต่ความที่สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยคํานี้เห็นจะไม่ถูกแน่ทีเดียวนะเขามีคําท้วงขึ้นมาถามอะนะแม้ถ้าบอกขันหเกิดอยู่ด้วยปัจจัยนี่แม่น่าพูดถูกนะแต่ว่าอบอกว่าสัตว์นี่ตั้งอยู่ด้วยปัจจัยคํานี้ไม่น่าถูกบอกอย่าไปคิดแบบนั้นเหมือนนไม่ควรเห็นอย่างนั้นเพราะอะไร เพราะกล่าวรวมไว้เสร็จถึงขันในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าพูดคําว่าสัตว์เนี่ยนะถามว่าอะไรเป็นสัตว์รูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นสัตว์แต่ว่าอาการที่ประชุมแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าว่าสัตว์เนี่ยนะเพราะสัตว์โดยสภาวะไม่มีเนี่ยนะเพราะนั้นอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละจึงบัญญัติว่าเป็นสัตว์เกิดขึ้นเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะว่ากล่าวรวมความไว้เสร็จถึงขันในสัตว์เหล่าใดจริงอยู่ท่านกล่าวรวมไว้เสร็จในสัตว์ทั้งหลายแล้วเพราะอะไรเพราะอาศัยขันธ้บัญญัติเนี่ยนะ mm hmm. คือสัตว์เนี่ยนะที่เรียกว่าสัตว์ก็เพราะบัญญัติที่ขันประชุมประมวลรวมกันแหละเรียกว่าสัตว์ถามว่าอย่างไรเหมือนอุปจาระแห่งบ้านในเรือน เหมือนอย่างกล่าวว่าเมื่ grade, อเรือนหลังเดียวหรือสองหลังหรือสามหลังแห่งบ้านถูกไฟไหม้ก็กล่าวรวมไว้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะถึงบ้านในเรือนอย่างนี้ว่าบ้านถูกไฟไหม้เพราะอาศัยเรือนหลายหลังบัญญัติฉันได้อ่ะคาว่าบ้านก็อาศัยเรือนหลายเรือนมารวมรวมกันเรียกว่าบ้านนี่ยนะทีนี้ก็ทราบว่ากล่าวรวมความไว้เสร็จถึงศาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารในศาสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ด้วยด้วยอาหารเพราะอธิถาว่า ปัจใจในขันทั้งหลายก็เหมือนฉันนั้นเพราะฉะนั้นสรุปคำว่าสัตนะวาา์เป็นชื่อของขันเนี่ยนะคำว่าอาหารเป็นชื่อของปัจใจสรุปแล้วคำว่าสัพเพสัตตาหารติทิกาก็คือขันทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยปัจใจเนี่ยนะขันทุกขันอยู่ด้วยปัจใจหมดเลยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดารงอยู่ได้ด้วยปัจัยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างก็ดำรงอยู่ได้ด้วย ปัจจัยเพราะฉะนั้นคำว่าสเพนสัตตาแปลว่าทั้งหมดเลยนะคำว่าสัตตาตัวนั้นเป็นชื่อของขันอาหารริติกาอาหารเนี่ยนะเป็นชื่อของคาว่าปัจจัยแต่เมื่อว่าโดยปรมาภิ์เพิ่งทราบว่าเมื่อขันทั้งหลายเกิดและตายอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอเกิดแก่และตายอยู่ทุกขณะ ดันงนี้นะก็คืออาการที่ขันห้าเนี่ยเกิดแก่และก็ตายอยู่ทุกขณะนั่นแหละเป็นอันทรงแสดงว่าตรัสรวมความไว้เสร็จถึงขันในสัตว์เหล่านั้นเมื่อใดสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารที่เรียกว่าปัจจัยอันใดาอาหารนั้นหรือความที่สัตว์ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเพิ่งทราบว่ามีหนึ่งเพราะว่าอาหารหรือความที่สัตว์ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเนี่ยนะย่อมเป็น ฐานะคือเป็นที่ตั้งแห่งนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายเนี่ยนะเพราะเนี่ยนะเพราะพิจารณาถึงอนิจจตาคือพิจารณาถึงความไม่เที่ยงว่างั้นเถอะคือหมายความว่านะคําว่าสัตว์เนี่ยนะคําว่าสัตว์เป็นชื่อของขันห้าใช่ไหมขันห้าดํารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยอันนี้เท่ากับปริญญาอะไรปริญญาอะไรยาตะปริญญาเนี่ยนะพิจารณาขันห้าว่าขันห้าดํารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยอันนี้เป็น ยาตะปริญญาแล้วก็พิจารณาขันห้าเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นเป็นตีระปริญญาแล้วก็เบื่อหน่ายอันนี้เป็นอะไรปริญญาปหาณะปริญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้อย่างนี้นะภิกษุนั้นก็จะเบื่อหน่ายเพราะเห็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายที่เข้าใจกันว่าสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นย่อมจะเป็นผู้ทาที่สุดทุกได้โดยลาดับแล้วก็บรรลุปรมัทวิสุทธิคือนิพพาน เนี่นะความบริสุทธิ์โดยประมัดเนี่ยนะเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาญาปสติอัฐานิปินติดุเขเเอสัมมโควิสุทธิยาเนี่ยนะ mm hmm. นะเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยนะ mm hmm. นะเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกเนี่ยนะไอความหนายในทุกนั่นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นทางแห่งพระนิพพาน mm hmm. เพราะอะไรเพราะว่า ปีรณาปริญญาก็คือการเห็นว่าสังขารสังขารคืออะไรสังขารคือสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยนี่แหละตามเห็นสังขาร น, น, นั้นแหละด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาเห็นไม่เที่ยงมากๆแล้วเนี่ยอันนี้จะสัญญาที่เจริญมากแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยนะ<ม>ก็เป็นปัจจัยแห่งนิพพทานเนี่ยอันนี้พูดรัดเอาใช่ไหมพูดรัดว่าเอออนิจจตาเนี่ยหรืออนิจจานุปัสนาเมื่อเกิดและเป็นปัจจัยแก่ นิพพานนิพพานนี่แหละเป็นหนทางแห่งนิพพานเนี่ยนะเป็นหนทางแห่งนิพพานว่าอนอนุปัสสนาเจ็ดเท่ากับกล่าวอย่างบริบูรณ์แล้วก็อริยมรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารเนี่ยนะก็เท่ากับประกาศอริยสัตว์เบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะไอ้คำว่าสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารเนี่ยนะไอ้คำว่าสัตว์นี้ก็เป็นชื่อของอะไรก็เป็นขันขันก็เป็นสัจจะอะไร สมุทุทกขสัตว์เ<ม>นี่ยนะปัจจัยเป็นชื่อของสัต์จะอะไรสมุทัยสัตว์เนี่ยนะสมุทายสัต์เป็นเหตุแห่งขันทั้งหลายส่วนถ้าหากว่าบความบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์เป็นชื่อของนิโรสัตว์แต่ทีนี้ว่าจะต้องเห็นขันอย่างไรอ่ะจึงจะบริสุทธิ์ได้ น, นะก็ต้องเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงนนะปัญญาอันนั้นแหละเป็นปัจจัยแห่ง มัคษัตริ์มักษัตริ์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็สามารถทำที่ที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงในเรื่องหนึ่งเนี่ยนะอะไรชื่อว่าหนึ่งเหมืนั้นสัพเพสต า, าหารถิธิกาถ้ารู้จริงอย่างนี้เนี่ยนะก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นด้วยนะที่พระองค์ตรัสไว้ในประถมปัญหาสูตรเนี่ยนะประถมมหาปัญหาสูตรว่าพิกูุทั้งหลายนะนนะ ธรรมะอย่างหนึ่งพิสูจนเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ธทมที่สุดในวัตถุทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไนคือธรรมะอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารดูกับพิสูุนทั้งหลาย ในธรรมะอย่างหนึ่งนี้แหละพิษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมทำที่สุดย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคํานั้นใดเรากล่าวว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวยากรณหนึ่งดังนี้คํานี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วเนี่ยนะ รู้จริงสักเครื่องก็พ้นทุกได้เนะนะรู้จริงว่าสัพเพสตาหาติติกาเนี่ยนะสังขารทุกสังขารเนี่ยนะขันทุกขันดํารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยนะถ้าพูดแค่นี้เนี่ยนะแสดงว่าอนุปัสนาสายไหนเน้นไปที่อนิจจานุปัสนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําว่าสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารเท่ากับประกาศอนิจจารักษณะถามว่าทําไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งพร่องไปเนี่ยนะ สังขาร น, นั้นนนั้อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่ดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยอ่ะสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงหรอกเพราะมันอาศัยปัจจัยเยอะเลือกเกินเนี่ยนะถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องไปขันแต่ละขันเหล่านั้นก็เสียหายไปเนี่ยนะแตกดับไปทําลายไปเพราะฉะนั้นอนิจจตาหรือความไม่เที่ยงเนี่ยนะก็เท่ากับแสดงแล้วเนี่ยนะเท่ากับประกาศอนิจจาลักษณะถ้าพูดอนิจจาลักษณะเนี่ยนะเป็นกรรมฐานประเภทอนิจจานุปัสนา เป็นประเภทอ น, นิจจานุปัสสนา น, นิจจานุปัสสนานี่แหละเป็นอุปนิสัยแห่งนิพาิานนิพิสนิพิธาเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอริยมรรคนั่นแหละทําให้แจ้งปรมัตถวิสุท ธ, ธิคือพระนิพพานนีนะก็สามารถทําที่สุดแห่งกองทุกได้อันนี้ก็เป็นอาหารของปัญญานะว่างั้นเนี่ยนะเรียกว่าปัญญาภาวนา น, นะนะอบรมเนี่ยนะอะไรปัญหาอะไรเออชื่อว่าหนึ่งีน่นะถ้ารู้ว่าเออรู้จริงอย่างนี้ก็ เป็นการอบรมปัญญาภาวนาทบท่วนนะถ้ากายภาวนาเป็นยังไง <c oughs> กายภาวนาเป็นชื่อของการเจริญอาการสาสองจิตตาภาวนาก็คือการระลึกถึงคูณของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะศีลภาวนาก็คือศิขาบทเนี่ยนะปัญญาภาวนานี่แหละการใขคร้ครวญถึงอะไรชื่อว่าหนึ่งว่าสองเป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าปัญญาภาวนาอบรมปัญญา ทีนี้มาขึ้นอะไรเอ่ยชื่อว่าสองอ่ะนะภษ า, าสดาผู้มีจิตอันพระเถระทมให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปเหมือนในยะแรกว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสองพระเถระกล่าวซ้ำว่าทเวทเวทเวนี้แปลว่าสองทูลตอบด้วยเทศนาเป็นธรรมมาที่ฐานว่าคือนามและรูปเนี่ยนะนามและรูปบรรดานามและรูปนั้น คำว่าน้ำก่อนนะเรื่องที่ไม่ใช่รูปทั้งหมดท่านเรียกว่าน้ำอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่รูปอะนะอันนั้นแหละนามางกันเออเข้าใจง่ายดีนะเพราะมุง่งน้อมมุ่งหน้าสู่อารมณ์อย่างหนึ่งเพราะเป็นเหตุน้อมจิตไปเนี่ยอย่างหนึ่งนามธรรมา ท, ที่เป็นจิตและเจตสิกก็คือมันเป็นธรรมชาติที่น้อมไปใช่ไหมน้อมไปเพื่อที่จะรู้อารมณ์อันนั้นคือลักษณะของนาม ไอ้ส่วนที่ว่าเป็นเหตุน้อมจิตไปเนี่ยนี่เป็นชื่อของนิพพานนะนิพพานเนี่ยเป็นนามเหมือนกันแต่ว่าจิตต้องน้อมไปหาเขานะไม่ใช่นิพพานน้อมมาหาจิตนิพพานเนี่ยเป็นนามแต่เป็นนามที่จิตต้องน้อมเข้าไปหาเพราะฉะนั้นนามทุกอย่างน้อมหมดเลยถ้าจิตเจตสิกน้อมไปรู้อารมณ์ถ้านิพพานเนี่ยจิตเจตสิกต้องน้อมไปหาแต่ในที่นี้ประสงค์เอานามที่มีอาสวะเท่านั้นหมายเอานามที่เป็นโลกิยะเท่านั้นเหมือนกัน เพราะเป็นเหตุแห่งนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายนามที่เป็นโลกุตระไม่ได้เป็นเหตุแห่งนิพพิธานะเพราะว่าไม่ต้องไปเจริญความเบื่อหน่ายในนามที่เป็นโลกุตระอะไรแต่นามในที่นี้ประสงค์เอานามที่ยังมีอาสวะหมายถึงนามที่เป็นไปกับโลกิยาได้แก่โลกิยาจิตเท่าไรดสิเอเนี่ยนะเจตสิกที่ประกอบ52ทั้งหมดโดยชื่อว่านามที่ยังมีอาสวะ ส่วนมหาภูตรูปสี่และรูปทั้งหมดที่อาศัยมหาภูต ร, รูปนั้นเป็นไปท่านเรียกว่ารูปเพราะแตกสลายเนี่ยนะรูปปณะคือเสื่อมสลายไปรูปนั้นในที่นี้ท่านประสงค์เอาทั้งหมดเพราะฉะนั้นอะไรชื่อว่าสองที่พริระบอกว่าที่ชื่อว่าสองคือนามกับรูปโดยประสงค์เอาอย่างนี้คือนามที่เป็นโลกียะทั้งหมดเนี่ยนะรูปทั้งหมดเนี่ยนะชื่อว่านามกับรูป เหมือนอย่างพระองค์ตรัสไว้ในปฐมมหาปัญหาสูตรว่าดูความพิสูจทั้งหลายธรรมะสองอย่างพิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้โดยความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดวัตถุุกได้ในทิฏธรรมคือปัจจุบันธรรมะสองอย่างคือนามและรูป ดูการพิสูุทั้งหลายธรรมะสองอย่างนี้แลเมื่อพิสูจเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรูค้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกขได้ในทิฏธรรมคือในปัจจุบันคำนั้นใดเนี่ยนะเรากล่าวว่าปัญหาสองอุเทศสองวยากนสองคำนี้เราอาศัย ข้อนั้นกล่าวแล้วเนี่ยนะบอกถ้ารู้จริงเรื่องนามกับรูปก็พ้นทุกได้ก็ในปัญหาข้อนี้เพิ่งทราบว่าภิกษุละอัตตทิฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาหรือที่เรียกว่าความเห็นว่าเป็นตนได้ด้วยการเห็นเพียงนามกับรูปเนี่ยนะถ้าเห็นสภาวะของนามรูปจะไปสำคัญว่าเป็นอัตตาได้ยังไงเนี่ยนะถ้าถ้าพูดถึงคาว่านามรูปเท่ากับละอัตติฐิโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อเห็นโดยความเป็นนามรูปเมื่อเบื่อหน่ายโดยมุกคือเจรการพิจารณาโดยเห็นเป็นอนัตตานี่นะย่อมเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ย่อมบรรลุปรมาถวิสุทธิได้เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมาอนัตติติยธาปัญญายปสติอัทานิพินติดุกใหเอสมะโควิสุทิยา เมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกขนี้เป็นทางแห่งวิสุทธิเป็นทางแห่งพันิพานเหมือนนเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคําว่านามรูปเนี่ยนะเท่าประกาศอนุปัสนาประเภทไหน อ, อนัตตานุปัสนาเนี่ยนะพอเห็นแต่เพียงนามกับรูป นามกับรูปนั่นแหละเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงไอสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์ไอสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาถ้าการกล่าวถึงความเป็นนามเป็นรูปเนี่ยนะสภาวะตรงๆก็เน้นไปที่ความเป็นอนัตตาแต่อนัตตาเนี่นะเป็นระดับปริญญาชั้นไหนเป็นระดับตีระปริญญาเนี่ยนะตีระปริญญาการไร่ครวญถึงความที่นามกับรูปทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาเนี่ยนะไข้ครวญมากๆ คนที่จะรู้อนัตตาดีเนี่ยอันนี้จังกับทุกขังเนี่ยชำนานอยู่แล้วเนี่ยนะทีนี้เต้องรู้สิ่งนั้นเนี่ยนะโดยความเป็นไม่เที่ยงพองบอกเลยว่าให้พิจารณาเห็นสังขารเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไอเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นอนัตตาจึงจะถอนอสมิมาณะได้เนี่ยน ะ, ะข้อความแบบนี้คล้ายๆในเมคีสูตรเนี่ยนะไปดูในตอนท้ายๆของสูตรเนี่ยนะ เพราะนั้นการเจริญหรือการพิจารณาโดยความเป็นอนัตตก็คือพิจารณารูปนามที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาคือเนื่องจากอะไรเนื่องจากไม่เป็นไปในอํานาจของผู้ใดผู้หนึ่งเลยเนี่ยนะก็ความไม่เที่ยงเนี่ยใครจะไปเป็นไปมีอํานาจในสิ่งเหล่านั้นได้เช่นไอ้ที่เกิดแล้วอย่าแก่ที่แก่แล้วก็อย่าตายที่ตายแล้วก็ให้ตั้งอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นไปตามปัจจัยของเขาเนี่ยนะ อันนั้นแหละก็เป็นอนัตตาเมื่อเห็นถึงความเป็นอนัตตาเนื่องจากมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างนี้นี่แหละก็เบื่อหน่ายในในสิ่งนั้นเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเนี่ยนะเมื่อคลายกำหนัดไอ้ความคลายกำหนัดนั่นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางแห่งพระนิพพานเพราะจะละคลายความยึดถือในอธรรมะทั้งหลายได้โดยเด็ดขาดเนี่ยนะอันนี้ก็เท่ากับแสดงปริญญาทั้ง3ประการอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยนะแต่แนวทางเน้นความเป็น อนัตตาเนี่ยนะนามรูปในในปัญหาปัญหาข้อสองเนี่ยนะเน้นความเป็นอนัตตานะถ้าสัพเพสตาหารัทธิการนี้เน้นอันนี้จะตาเนี่ยนะถ้าอันนี้ก็เน้นอนัตตาหรือว่าอนตาัตตาตาางอันนะี่ความเป็นอนัตตา